ทำให้กายทวานวจีทวานนั้นไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายไม่สร่านไปด้วยการทำบาปทั้งหลายเขาใจยังอันนี้เราก็สังเกตได้ตอนนี้การเข้าใจนั้นอยู่ระดับหนึ่งแต่มีปัญหาว่าเราต้องไปติดเครื่องของศีลให้เดินได้ตราบใดกระแสของชาวนะเกิดขึ้นสังเกตด้วยว่าตัวกุศลศีลมันเกิดในชาวนาะไหมเหมือนนั่งเนี่ย น, นั่งอยู่ใช่มเหมือนอา ญ, ญาละดา น, นั่ง ตรงๆอะมาเนี่ยถ้านั่งงนี้ปุ๊บถ้านั่งเผลอๆหลังงอๆอะไรนี่แสดงว่า <Yeah. S 1> ใช่ไหมแสดงว่ากุาศลเสียนวิ่งหายไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องระวังไหมต้องระวังเมื่อกี้โยมปรึกษามาใช่ไหมโยมที่ยนสุวันปรึกษามาบอกว่าเอ๊ะท่านท่านท่านเดินได้ยังไงมาก็บอกโอ้เดินอย่างนี้ใช้ข้อมูลใช้การวิจัย เช่นเวลานั่ ง, งเวลาศึกษาเวลาต่างๆหรือนี้เวลาทํากิจต่างๆเนี่ยอยากให้ใจมันนิ่งแรกแกเนี่ยเพราะนิ่งแรกๆเนี่ยมันจะหลับนิ่งแรกๆเนี่ยบาปก็จะเข้าอยู่เลยก็วิจัยให้ข้อมูลเรื่อยๆกระตุ้นดูสังเกตสังเกตจิตคุณ ต, เตนเองตลอดใช่ไหมว่ามีกุศลศีลเกิดขึ้นไหมเพราะกรณีที่คนอื่นชื่นชมเลยอะไรต่างๆมันผลโดยอ้อมนะไม่ใช่ผลโดยตรงดูผลโดยตรง เป้าหมายหลักจริงๆก็คือตัวกุศลศีลพัฒนาขึ้นแข็งแรงขึ้นชัดเจนขึ้นผลปรากฏของศีลอยู่ทั้งกายสะอาดวาจาสะอาดและจิตสะอาดไม่ใช่ไปอยู่ที่มีคนสารเสริญยกย่องหรือไม่ใช่ว่ามีคนหนึ่งเขารบน้ำหน้าถือตาหรือไม่น้ำหน้าถือตาผลจริงๆของศีลอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรวจสอบได้ทุกวันเลยใช่ไหมตรวจสอบได้วันแล้วต้องเป็นร้อยๆ ร, รอบแต่เพียงเราจะตรวจสอบไหมแค่นั้นเองตรงนี้มุมนี้เราก็มองเห็นใช่ไหม ตรงนี้เราให้คนอื่นตรวจสอบหรือเราตรวจสอ บ, สอบไม่ต้องไปโทรศพัพท์ไปถามคนอื่นเราก็เอ๊ะนี่ศีลเราเดินหรือยังนี่นีนี่เพราะงั้นอย่างนี้เราก็ดูได้แล้วแต่เนี้ยพอเราเข้าใจแล้วก็ตรวจสอบกุศลศีลได้เลยแล้วก็สังเกตได้ไม่ยากเพราะศีลเป็นชื่อของกุศลใช่ไหมที่ปิดกั้นบาปเพื่อไม่ให้เผยออกมาทางกายยวาวรวจีทวารอันนี้เป็นปฏิโมกข์สังวรศีล ทีนี้ถ้าเป็นไปในส่วนของอินทรีย์สังวรศีลน่ะอินทรีย์สังวรหรืออินทรีย์สังวรศีลหรือว่าสติสังวรเนี่ยตัวสติสังวรเนี่ยก็หมายความว่าห้ามตัวสติใช่ไหมถ้าสติสังวรนี่ตั้งกลับเน้นตัวสติเป็นตัวนําไม่ใช่สติตัวเดียวนะเพราะบอกสติเราย่าไปสติตัวเดียวไปได้นะสตินํานามธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกุศลและจิตสติเหล่านั้นก็มาเป็นใหญ่โดยการห้าม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 แล้วก็คิดนึกขายายยางแปลว่าสติตัวเนี้มันกำกับอยู่ที่ที่ไหนที่ใจนำนามมาทําทั้งหลายเนี่ยคอยป้องกันไม่ให้ราคะโทสะมหะหมุนไม่ให้จิตนั้นหมุนไปด้วยอํานาจของโลภะโทสะมหะเพราะจริงๆในชีวิตของเราต้องเห็นตลอดไหมถ้ามีตาต้องได้ยินเสียงตลอดไหมกลิ่นต้องกระทบจมูกบ่อยๆไหม นั่นนะก็ไปกินอาหารอาชั่ทางทวารไหนร่วงละเมิดสติสังวรที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดมากที่สุดเนทะวารตาเป็นไงดูแล้วเนี่ยสติแข็งแรงดีไหมถามบอกว่าอินทรีย์สังวรศีลไม่ค่อยแข็งแรงเพราะตาดโมกไม่มีเดินเดินจารีศีลไม่ได้วารีศีลจารีศคือข้อปฏิบัติต่างๆกับ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 เพราะเป็นชั้นของการที่จะไปจัดการสุจริตสามให้เกิดเพราะจะเป็นการทำสุจริตสามให้เดินในกระแสของชีวิตได้จริงๆและเดินได้อย่างต่อเนื่องนะฉะนั้นในพื้นฐานที่เราปรับกันในที่พยายามพูดกันในวันนี้พูดในเรื่องของในฐานของปฏิโมกที่มาแยกเอาเป็นจารีตและวาริตะที่เป็นเป็นข้อที่ควรข้อปฏิบัติและข้อห้ามเนี่ยใช่ไหม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 แล้วก็มีการจะต้องดูแลอุปถาโคบาจารย์อยู่แล้วในการเชื่อมโยงกับเพื่อนอยู่แล้วในการที่บุตรภรรยาบา่าวไผ่หรือบริวารชนตั้งหลายหรือกับพระสงฆ์องค์เจ้าต่างๆ เ, เรามีการยึดโยงอยู่แล้วแต่สายยึดโยงของเรามั น, มนพลาดเราไม่ใช้เจตนาศีลเป็นตัวยึดโยงเป็นต้นเราไม่ได้ตัวใช้กุศลศีลเนี่ยเป็นตัวยึดโยงเชื่อมโยงกับทิศ ท, ที่รอบตัวเราใช่ไหม เรากลับไปใช้โลภะโทสะโมหะเป็นตัวยึดโยงซะนี่เขาใช้ยังมันก็ผิดดูแลแม่มาสิบยี่สิบปีแต่กลายเป็นคนขี้บน่นเคยเห็นไหมละ่ะบ่นเก่งที่สุดถามว่ายมอย่าไปบ่นแม่ที่โห้มยถ้าท่านก็ต้องบน่นย้อนพระตายพระบอกเอองินกั น, กนว่าไปพระไม่กล้าแล้ว ท่านไม่เคยเลี้ยงคนแก่เขา่าเอเอคนแก่เลี้ยงยากเลยยากนหโยมถ้าเราแก่ก็แสดงก็เลี้ยงยากอ ย, กอยู่ดีแล้วทําไงยงุ่งเลยทีนี้กรรมที่ทําไว้ทําไงทีนี้มันจะให้ผลคนแก่คนอื่นมั่งได้มันจะให้ผลคนแก่คือเราที่แกนน่นี่ยแหละน่ะเข้าเราเขาก็จะท่า น, นอา่อ้ามีคนหนึ่งนะที่ว่าพอฐานะดีขึ้นละทิ้งคุณพ่อคุณแม่ไงนี่เรื่องจริงนะ เกิดขึ้นในสังคมไทยเราด้วยนะพอหนักเข้าหนักเข้าก็กลัว อ, อายเขาไงที่พ่อแม่เป็นคนต่างจังหวัด่ยและตนเองมาได้ดีได้ดีเคได้ยินข่าวหล่ะอันนี้ไม่มีเจรนาศีลเจสิกศีลนะนะ่ทีนี้อยู่ต่อมาก็แกก็ไม่กล้าต่อมาแกก็ได้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ไงนี่เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นนะแล้วต่อมาแกจะทำยังไงรักก็รักพ่อแม่ไม่ใช่ไม่รักนะ ธรรมะก็เลยเอาไปไว้หลังบ้านไงปลูกกระต้อไม่อยู่ไงแล้วก็ไม่บอกใครหรอกมีอยู่วันหนึ่งที่บอกว่าเลี้ยงอะไรมีการจัดงานเนี่ยผล เ, เกิดแล้วก็ทําอาหารพ่อแม่ก็แก่ก็หิวพ่อแม่ยังอาหารเนี่ยชอยก็จะหมูกที่ว่าหิวเลยก็มาขอคนบอกว่าบอกให้คนดูแลแก็แกมีคนดูแลแม่ บอกดูพ่อบอกพ่อเป็นโลกเป็นโลกอะไรรู้เออไม่ได้เปแคหิวแคแคป่วยแล้วแคแคอยากกินจริงๆก็บอกไอ้หนูบอกไปบอกไปบอกไอ้หนูหน่อยเธอพ่อขออาหารไปขอคนครัวคนครัวก็บอกว่าเอต้องถามผู้ชายท่านผู้ชายแล้วเออถามแบมนี้ต้องไปถามท่านก่อนก็ไปถามก็บอก ก็ห้ามบอกให้เลี้ยงแขกก่อนให้เลี้ยงแขกก่อนเนี่ยเนี่ยตรงนี้เพราะว่าแขกผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นมาอะไ ร, รผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นมาเห็น ไ, ไหมพอพอก็น้อยใจนะขา้านะข้าก็ที่ว่าจนพอ น, นั่นเป็นเสร็จก็จะเอามาให้แกแกก็นอะนัง่งน้ำตาไหลร้ลองไห้กันทั้งแม่ทั้งพ่อแกก็ไม่รักษณใอย่างเงี้ย นี่เสียของนะนี่อย่างนี้จะมาคือคือคือในกรณีในลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็นานาสลดเห็นไหมเราเราดูแลจริงแต่เรามันดูแลแล้วกันเอ๊ะกรรมที่ทําไปเนี่ยมันก็ตามตามนะเนี่ยส่วนอีกลายหนึ่งที่เขาเล่าเป็นนิทานเนีที่บอกว่าอันนั้นที่ใช้กะลาไงใช้กะลาไปเสร็จที่ให้ให้แม่ให้พ่อกินอันนั้นเป็นนิทานแล้วเป็นเหตุเลยมาเคยฟังมา ต่อมาเบสก็มีลูกก็พาเอาทําทํากะละให้ลูกพอกลับมาลูกชายก็กําลังได้มาพ้ามาก็มาขูดทำํำพ่อก็ถามว่าบอกนี่ลูกจะไว้ทําอะไรบอ๋อพอดีตอนพ่อแก่ไว้เลี้ยงพ่อนี่โอ้เรียบร้อยจะได้เลี้ยงแบบยา่าเลี้ยงเลี้ยงปู่เลี้ยงยา่ามียุ่งเลย ไอ้กรณีในลักษณะอย่างเงี้ยจริงๆว่าบางครั้งเนี่ยเราไอ้ยังไ้ก็หนักไปนะที่ในกรณีตัวอย่างก็ยังก็หนักไปแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าตอนเนี้ยการยึดโยงระหว่างลูกกับพ่อแม่หรือกับเพื่อนกับพี่กับอะไรต่างๆแบบเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นไปกระโลภะโทสะมันไม่ได้เป็นไปกระเจตนาศีลที่เป็นไปกระกุศลไงฉะนั้นเวลาเราเดินกุศลศีลในระดับที่จะเป็นปฏิโมกสังวรศีลระดับขึ้นมานะมันขึ้นไม่ได้กันเพราะตรงเนี้ยฐานล่างมันสุด ตรงนี้ก็ไปปรับฐานล่างให้มันบริบูรณ์เสียเพราะต่อไปเราจะได้เจริญงอกงามในกุศลธรรมทั้งหลายใช่ไหมตรงนี้เป็นพื้นฐานวันนี้เมียมาพูดในเรื่องของศีลในชั้นอย่างเงี้ยดูเหมือนเป็นเรื่องที่หยาบหยาบสำหรับพวกเราเป็นหมหยาบไหมจริงๆเนะ่ยเป็นเหมือนเรื่องหยาบคล้ายๆว่าพวกเรารู้กันหมดแล้วใช่ไหมเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราเดินได้จริงไหมเนี่ยตรงนี้ต้องไปปรับเสียปรับพื้นฐานตรงนีนะ้ให้กุศลศีลมันเดินได้จริงๆ เพราะถ้าหากปฏิโมกสังวศรศีลมันเดินได้แข็งแรงแล้วต่อมาอินเดียสังวศรศีตัวอินเรียสังวศรศีลก็จะเดินได้ตัวสติสังวร น, นี่นะก็จะสามใจนั้นก็จะไม่หมุนไปในกระแสะของบาปถ้าใจนั้นหมุนไปด้วยรหมุนไปด้วยนาคของราคะโทสะโมหะที่ไปเกี่ยวข้องกับรูปเกี่ยวข้องกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสแล้วกับธรรมอารมณ์ทั้งหลายใช่ไหมอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้หมุนเข้าสู่ใจเราตลอดเวลาเลย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 กุศลธรรมทั yes, right. oh, ้งหลายมีเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรอวิติกมาเป็นต้นเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเดิน้าแห่งยังปัจจัยเกิดขึ้นโดยทำโดยเสมอละการถ้าเป็นพระก็คือละการแสวงหา21อย่างการให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้ผลไม้ให้ชําละพันฟันน้ำล้างหน้าอาบน้ําผงทาตัวให้ดินทุตัวประจบพูดจริงปนเท็จเนี่ยเลี้ยงลูกให้ชาวบ้านเนี่ยรับใช้คขหัสงหันงานนี้พระทำไม่ได้นี่ ยอมจะไปทำงานเออไม่เป็นลายยอมเอาลูกมาฝา ก, กันมาไว้ได้ไหมพระทำได้ไหมไม่ได้ไดเจอเด็กๆ ก, ก็ไปจับอุ้ยน่ารักน่ารักแต่เจตนาหวังเพื่อให้พ่อแม่เขาศรัทธ า, างี้ผิดเลยใช่ไอย่างเงี้ยเสียเลยอาชีวะไม่บริสุทธิ์เป็นมิจฉาอาชีวะของพระไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นไปแล้วแต่ว่า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 จึงจะเป็นอาชีวปริสุทธิศีลเนาะเนี่ยอาชีวปริสุทธิศีลเนี่ยเป็นไปส่วนในลักษณะยทธคารว่าทั้งหลายก็เป็นไงอาชีวาก็นั่นแหละไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายสัตว์เป็นไม่ค้าขายยาเมาน้าเมาใช่ไหมไม่ค้าขายสัตตราเยะเป็นต้นแต่อาชีวะว่าไงเยตัวอาชีวะเนี่ยอาชีวะที่เป็นตัววิริยะนะเป็นประธานนะ เจตสิกนี่เป็นเวริยาเป็นประธานแต่ไม่ต่างในนั้นมีเจตนาไหมมีเจตสิกไหมมีตัวสังวรไม่อาชีวประดิษฐ์ที่ศีลมีตัวสังวรนะเป็นเวรียาสังวรเป็นตัวเวรียาสังวรมีเจตนาเจตสิกสังวรอวิตรกมามนั่นแหละก็คือไม่ก้าวล่วงคือไม่ประพฤติผิดตรงนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเป็นอาชีวปริสุท์ที่ก็คือว่าอาชีพภายนอกบริสุทธิ์แล้วเป็นไปกับกุศลใช่ไหม ความโลภความโกรธความหลงต้องไม่หมุนเข้าสู่กระแสกิจในกระดาษทกิจเอาอย่างยอมเนี่ยทำกิจกันทุกคนนะมีหน้าที่หมดเลยเนี่ยกลับบ้านเป็นแม่บ้านใช่ไหมมีหน้าที่หรือไปทํากิจต่างๆบางคนสอนหนังสื อ, อสอนนี่ไม่มีอาชีวะก็ได้นะสอนถูกต้องสอนเก่งสมัยก่อนเนี่เขาเขาแหนเขาโอ้โหเขาบอกว่าถ้านักเรียนสอบไม่ค่อยได้ก็สมัยนั้นนะ่ะสมัยโน้นเนะี่ยอามาเนี่ยอย พระองค์นี้สอนดีก็เขาก็ อ, อกนักเรียนที่ไม่ค่อยได้เรื่องเนี่ยมาให้อามาเงี่ยนะโอ้ยมาก็ทั้งโทสะทั้งโลภะทั้งอะไรเยอะๆทั้งเขี่ยวทั้งเค้นทั้งอะไรต่างๆแล้วตามติดนะกลางคืนก็ต้องไปเคาะห้องเขาท่องหรือยังเนี่ย <c oughs> เรียกมาท่องแบบทรงอะไรสารพัดเนี่ยมานด้ก็เคยใช่ไหมแต่อย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีอาชีพไม่ค่อยดี ตรงนั้นก็้ทําผิดเยอะเป็นไปกับความโลภเป็นไปกับความโกรธกล่าววาจาหยาบๆก็กล่าวเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ถือว่าดีกระตุ้นเนี่ยเขาทําดี <c oughs> แล้วก็ถูกสอนกันอย่างเงี้ยนั่นก็ผิดใช่ไหมนั้นผิดกันอย่างเงี้ยอย่างดีนะยุค ก, ก่อนๆจริงๆอะบางทีต้องใช้โกงขังเนียสมัยก่อนบรรดาครูโหดๆทั้งหลายก็กกงขังเก่งมาก ทำไมแต่เขยา่ากองท่านกร็รู้ท่านกกโกรธก็กองขังเอาไว้อย่างนี้ขนาดนั้นเลยโทรศัทนี่โอเสียเลยอย่างนี้นะนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลไปหมดแล้วเพราะมันออกมาทางวัจีไหมวัจีออกมาแล้วกายออกไหมโอ้โยออกหมดแล้วใจไม่ต้องพูดแล้วตอนนั้นเดือดปุดปวดปวดปวดใช่ไหม แม้ถ้าวันถ้ากนักเรียนเขาทาตามหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาได้ตามที่สมใจแล้วแม้ไปนั่งโลบอยู่นั่นแหละเพ้อฝันนั่นนี่ผลงานเราใช่ไหมนักเข้านักเข้าก็เขียนหน่อยสนจบมาเท่านั้นจบมาเท่นี้ว่างๆก็เอานี่อย่างเงี้ยเนี่ยลูกศิษย์เรานะนี่ลูกศิษย์เรานะคนนั้นจบปอทห้าหกเจ็ดปดเก้าคนนั้นจบอวิธรมจุลธีจุลโทจุลเอกมัชมตีมัชมโทมัชมาเอกหมาตีหมาโทมาเอกแม่จบชื่นใจ โอ้ยังไม่พอนะเรียนคำพีใหญ่ด้วยนะมูลกับให่นะก็เรียนหน่วยนะึโอ้เรียนนี่ไหมลูกศิษย์เราเต็มไปหมดเลยแต่ที่ไหนได้ในขณะที่ตนเองสอนใจก็เป็นไปกับโลกบ้างโกรธบ้างหลงบ้า ง, า ง, างเสียหายเลยเนี่ยกัาใหญ่างทางโลกก็ไม่ต่างกันแล้วแต่นี้ขนาดทางธรรมก็ไปอย่างนี้นะทางโลกก็ไปกันใหญ่แล้วแต่นี้ยเป็นอาาริยะดาเป็นเงี้ยไหมเป็นเลยใช่ไหมเนี่ยศีลก็ไม่ได้อยู่ในกระแสะของชีวิตจริงเลยต้องกลับลังหันไหม ต้องกลับหลังหันมาดูแลใหม่ทํากุศลศีให้เดินใช่ไหมถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ตัวปฏิโมกสังวรศีลก็เดินอาชีวปาริสุทธิศีลก็เดินประการต่อมาคือว่าปัจจยา ส, นสันนิสตศีเนี่ยกุศลธรรมทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นอีกเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะแต่ปัญญาอย่างเดียวนะเจตนาเจตสิกเนี่ยมีปัญญาในนั้ น, น, น, น, นด้วยสังวรด้วยนิยานาสังวรเป็นต้นด้วยอวีติกมามคือการไม่ก้าวล่วงก็คือมีการพิจารณาไง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 ปินตาปาตั้งปฏิเสวามีอย่า น, นะพิจารณาอาหารเบสเสร็จพอท่องกันไปสเสร็จทั้งยมทั้งกระว اة ทั้งพระกันเนี่ยนะพอท่องเบสเสร็จปุ๊บตาก็จ้องไม่จะรอเดี๋ยวนี่นะเอาอะไรก่อนดีนะพิจารณาอย่านี้นปากกรท่องใครเป็นไหมแต่ท่องกันเรียบร้อยมากพร้อมกันชัดเจนมากบางทีแปลเลยนะเราย่อมพิจารณาแล้วฉันอาหารบิณต บ, บาดไม่ใช่เพื่อความมัวเมาสนุกสนานเกิดกําลังพลังทางกายกว่ากันไปเนี่ยนะ พอจบเบสเสร็จแล้วเอาแหละเดี๋ยเนี้ขอละครฉันได้ยอมก็กินกันได้เสียงรบลาบรบราบเลยใช่ไหมแม้ตอนวันนี้มีอย่างนี้บ้างไหมมีไหะไม่มีนะเพราะว่านักศึกษาพอทำทํำงันเสียฟอร์มเลยยังถึงมันเกิดกระทาทีทําท่าเฉยๆไว <c> ้ <oughs> ทางนี้หรือเปล่ า, าแต่ถ้า ม, มีมีใครเห็นก็เล่นเลยไว้หน่อยอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> จริงๆก็คือว่าตรงนี้ท่านสอนเกี่ยวในเรื่องของเจรนาศีนเป็นต้นนะ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 เพื่อการประพฤติเพื่ออนุเคราะห์พระรมจรรย์เพื่อจะเดินมรรคพรหมจรรย์เป็นต้นเนี่ยนะทำพรหมจรรย์เบื้องต้นให้ถึงที่สุดให้ได้เพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนี่ตั้งอัตยาใสาไว้อย่างงั้นยิงอยู่ใช่ไหมเอาแต่พิจารณาอย่างนั้นความโลภมันก็ยังเกิดโยครับพิจารณางายต่อครับพิจารณาตัวนี้เริ่มวิจัยหนักกว่าเก่าแล้วปัญญามาทํากิจเป็นประธานชัดเจนขึ้นเลยทีเนี้ยปัญญาวิจัยพิจารณาไปจนถึงโอโ้ในสังสารวัตรนี่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 กันดานมากเห็นไหมหิวก็มาพิจารณาฝ่ายพ่อก็บอกว่าแม่เราไม่มีอาหารกินเราตายแน่ถ้างั้นเราตายกันทั้งสามเอาอย่างนี้ดีไหมเนี่ยหักคอลูกกินดีไหมเนี่ยใช่ไหมฝ่ายแม่ก็บอกโอ้ยทำไม่ได้หรอกรักมากก็นั่งเถียงกันยืนเถียงกันเนี่ยร้อนกน็ร้อนทางกันดานเนี่ยอาหารก็ไม่มีเห็นไหม น่เข้าน่าเข้าก็เกียงกันน่ะนั่งกันอยู่ไกลๆอ่ะพ่อนั่งอยู่มุมหนึ่งแม่อยู่นั่งอยู่มุมหนึ่งแม่ก็บอกว่าลูกไปหาพ่อยจะให้พ่อข่านี่ไม่กล้าข้าหิวมากไปหาพ่อก็อไม่ไหวแล้วไปหาแม่แต่ลูกลูกเดินไปเดินมาตายเพราะเดินเนี่ยนะตายอันนี้ตายจริงนะพอตายไปเสร็จร้องไห้ก็เอาเนื้อท่านกรพิจารณาไง เนี่ยวนเนื้อไม่ได้ยากนะเนื้อไม่ได้ยางไม่ได้ใสเ่เกลือไม่ได้ป Mania รุงรสเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อบุตรของเราญาติของเราเกี่ยวข้องกับเราเป็นที่รักของเราไม่ได้เป็นที่รังเกียจเลยแต่ต้องกินเพื่อความอยู่ได้ใช่ไหม <S 1> <S 1> เพื่อความอยู่ได้ <S <S เพื่อยังอาถาพให้ข้ามจากกันดารเนี้ยท่านสอนนี่พระคิดถึงขนาดนั้นนคิดถึงขนาดนั้นนี่ยอาทำไมคิดให้ได้ เห็นปลาตัวหนึ่งท่านคนนี้เคยเป็นบุตรของเราเคยเกิดในท้องเราเราเคยประคบประงมในสังสารวัตรคิดให้ได้เงี้ย น, นะกินไปแต่ก็น้ําตาน้องหน้าแน่แว่าเงี้ยกินไปเรากเราจะไม่ติดกับการกินจะอาศัยปัจจัยคือการกินเนี่ยประพฤติธรรมเพื่อการบรรลุเงี้ยนะถ้พิจารณานืก็เหมือนไงก็เหมือนที่ว่าพระท่านไปนอนสลบกับต้นไม้ที่ว่าท่านไปบินนาบัดไม่ได้อาหารออกบินนาบัดไม่ทันเงย อยู่ในป่านี่แหละอุบาสกไปเจอก็พิจารณาเอทําไมภิกษุมันนอนสลบอยู่เนี้ยท่านก็เห็นมะม่วงเกลือนไปหมดเออพระนี่ไม่ยอมหยิบมะม่วงก็มากินเลยเนอะก็เลยคั้นน้ํามะม่วงบีบกอกปากท่านท่านก็ฟื้นมากระถามพระเทวะทําไมท่านไม่กินผลมะม่วงสุกเนาะเกลือนเต็มหมดนอะท่านบอกว่าอุบาสกไม่มีใครประเคนธรรมาเนี่ยเนยีโอ้โหพระรูนี้เป็นผู้มีศีล น, นะ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 เราตัวหนักแบกเราขนาดเพียงนี้เนาะเรามีอะไรดีอ๋อกุศลศีลที่พระบรมศาสดาทรงประทานไว้ดีจริงเนาะนี่นะพิจารณานี่เพราะศีลนี่เองท่านก็ใครควรเจตนาศีลรเจตสิกเศียสังวรอาวิติกมาศีลรใครควรปฏิโมกสังวรศียรอินทรีย์สังวรศียรอาชีวะปริสุทธิเศียปัจจียสันนิสิตาศียรของท่านเนี่ยโอ้ยขนลุกชูชันนะ พิจารณาอย่างนี้ขนกับลูกชูชันแล้วเกิดปลาโมดปีติปสัสสติความสุขสมาบัลลุบนหลังอุบาศกไยโยมไม้อามายังนึกยังอยากสะพระรูปไหนจะบรลลุจะขอแบกสักสองสามกิโลนี่ขออานิสงส์ตรงนี้บ้างถ้าท่านมีใจท่านหม่อมหน้าถ้ามันใกล้ๆจะจดจ่อในคุณธรรมทั้งหลายก็ะซิบบอกกันมะาบอกผมหน่อยจะไปแบกเดินสักสองสามรอบมันขี้คอผมนี่ เช่ไหมใช่ไม่ใช่ได้อันนี้สองไหมได้โอ้โหถ้าใครบรรลุบนหลังเราองคดด์ที่ตัวที่บุญจะขนาดไหนแล้วถ้าหากบรรลุได้เพราะอาหารของเราใช่ไหมมีนะมีหลายองค์ด้วยที่เป็นตัวอย่างเนี่ยบรรลุเพราะอาหารเพราะท่านพิจรารณาศีลเนี่ยมาสายของกุศลศีลเจรนาศีลเจตศีล ส, ส, สังวรศีลเนี่ย ตัวอย่างเยอะแยะใช่ไมที่อีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าท่านไปบินตบาทนั่นแหละที่ว่ามีโยมที่เรียกท่านว่าลูกลูกๆนะูกไแต่ไม่ใช่ลูกจริงนะท่านรับเป็นลูกไนงะพอไปเบียดเศษไท่านจะไปบินตบาทก็ได้ยินได้ยินว่าพรุ่งนี้ตอนนั้นไม่ได้บินตบาทหรืจะไปเยี่ยมโยมไม่แน่ใจนะท่านได้ยินบอกว่านหนู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 อาหารดีๆทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้ให้กับพระลูกชายพี่ชายของเจ้าส่วนของไม่ดีทั้งหลายให้แม่แม่ไปหาตัดฟืนตัดเลยโห้พระฟังนี่น้ําตาคลอนเนี่ยบอกโอ้ท่านคนนี้ไม่ได้เป็นแม่เราจริงๆในปัจจุบันนะพบเป็นแม่เราในสังสารวัตรนั้นเป็นได้อยู่ทั้งพิจารณาเนี่นะโอ้โหไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นลุงป้าหนะอาอาแล้วเนี่ย แม้การที่เราจะรับอาหารเช่นนี้สุกเพลาะเนี่ยไม่สมควรแก่เราเลยเป็นต้นเลยนี่นะถ้าเรายังไม่ทําคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นต้นแล้วเนี่ยท่านก็เข้าถ้าแล้วก็บําเพ็ญท่านได้บป็ลูกไงท่านได้บป็ลูกเห็เพราะอาหารเป็นปัจจัยเนี่ยท่านในกรณีอย่างเนี้ยลองดูที่ว่าพระเนี่ยท่านถึงบอกว่าการพิจารณาปัจจัยเนี่ยยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่มากผลเนได้อะ ปัจจะสนนศิตาสีเน่ยอย่าไม่ใช่ธรรมดานะยานาสังวรเนี่ยไอตัวปัญญาเนี่ยั้นเราพิจารณาเกื้อกูลใบเป็นปัจจัยแก่การที่จะทำให้กุศลสีน่แข็งแรงมากขึ้นฉะนั้นในปาฏิโมกสังวรสีเน่ยย่อมบริสุทธ์ด้วยการที่พิกูุไม่ต้องอาบััิหรือถ้ายมทั้งหลายก็ไม่ล่วงนะหรือด้วยกาย กรรมวจีกรรมเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเป็นพระท่านก็บอกกล่าวแสดงอยู่กรรมถ้าอินทรีย์สังวรมีสติเป็นประธานอินทรียสังวรนั้นนะบริสุทธิ์ได้เพราะกิเลสทั้งหลายไม่เกิดขึ้นโดยการอะไรทั้งปวงและโดยการข่มกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วโดยการระลึกถึงพระโอวาทของพระพรมศาสดาด้วยกําลังหินกรรมฐานเป็นต้นอินทรีย์สังวรนั้นย่อมบริสุทธิ์ด้วยตั้งสติและอธิษฐานจิตว่าเราจักไม่กระทําอย่างนี้อีกคําว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยเขา เป็นต้นเหล่าเนี้ยเขามันตั้งสติเนี่ยเช่นโดยมากศีลเนี่ยเวลาเราล่วงเราเมิดไปแล้วเนี่ยเกิดจากการตั้งเช่นผิดไปแล้วตั้งใจใหม่ไหมตั้งเดียวนั้นไหมต้องยอมต้องตั้งเดียวนั้นนะไม่ใยาผิดไปแล้วตั้งนานจึงตั้งผิดปุ๊บลึกเดียวนั้นตั้งใหม่เดียวนั้นยอมตั้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวแข็งแรงไม่ใช่ว่าปล่อยซะต้องยาวผ่านมาตั้งหลายวันก็ยังเฉยชาเฉยเมยกับเขาอยู่ไม่ดีนะ ตั้งทันทีตั้งทันทีแล้วจะเป็นแรงกระตุ้นแรงมากนั่นแหละปัจจัยเกื้อหนุนแก่การที่จะบริสุทธิ์ได้อาชีวะบริสุทธิ์ที่น่ะความเพียรย่อมบริสุทธิ์ความเพียรที่บริสุทธิ์เป็นปัจจัยปัจจัยสนิศสศินก็ปัญญาในเองบริสุทธิ์เพราะเหตุนั้นท่านยังกล่าวบอกว่าความบริสุทธิ์เนี่ยนะด้วยศีลต่างๆดังกล่าวมีศีลสังวร แล้วก็สติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยาสังวรขันติสังวรกล่าวไปแล้วเชื่อมโยงกันในเรื่องของขันตินะยกตัวอย่างว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่บำเพ็ญขันติบารมีนั่นก็ใช้น้อมไปเพื่อจะไม่ให้ศีลนั่นแตกทําลายเป็นต้นฉะนั้นกรณีที่คนที่มีขันติสังวรทั้งหลายเนี่ยท่านจะไม่ค่อยโกรธให้สังเกตอีกอย่างนี้เอาดูตรงนี้ที่เปรียบเทียบตอนที่พระโพธิสัตว์เป็นธรรมปาละกุมารใช่ไหม ตอนที่เป็นธรรมปาลกุมารที่เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นคนที่โกรธโกรธมากเกลี้ยวกราดมากตอนคลอดออกมาพระโพธิสัตว์ก็มีพระรูปงามอยู่แล้วใช่ไหมตอนนั้นนะ่ะพระมเหสีซึ่งเป็นแม่ของพระโพษษนะธิสัตว์เนี่ยธรรมปาแลกุมารเป็นต้นเหล่านี้ก็อุย้ยรักมากดูแลเขาประงมมีอีกวันหนึ่งพระราชาก็เสด็จ พระมเหสีไม่เห็นก็ไม่ได้ทําความเครารพโกรธเลยโกรธมากปอกโอ้โหกุ ม, มารนี้ขนาดเล็กๆเนี่ยยังความรักความห่วงใยให้กับมารดาพระมเหสีขนาดนี้ถ้าโตขึ้นมาหน่อยเราไม่อยู่ในสายตาเนี่ยไม่ควรเอาเด็กคนนี้ไว้ต่อไปต่อไปบัลลังก์เราเสียหายเราคิดหนักเลยไหมคนขี้โกรธเป็นคนขี้ระแวงนะคนขี้โกรธทั้งหลายเป็นคนขี้ระแวงมากยอมเป็นคนขี้ระแวงวะเป็นไม่เป็น คำว่าขี้ระแวงเป็นสำนวนนะเป็นคนที่ระแวงเก่งไหมอาจารย์โบสถ์ดิชัตตรงตัวนี้